อาจารย์พุทธทาสท่านเคยเล่านิทานเซนให้ลูกศิษย์ฟังมีชายหนุ่มจะมาขอเรียนวิชาฟันดาบจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากชายหนุ่มคนนั้นก็ถามว่าใช้เวลากี่ปีถึงจะจบหลักสูตรอาจารย์ก็บอกแปดปีพอได้ยินนี่ชายหนุ่มก็ล้องโอโหในใจเลยรู้สึกมันนานไป ก็เลยต่อรองกับอาจารย์ว่าถ้าผมจะตั้งใจปฏิบัติจะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่จะฝึกทั้งเช้ากลางวันเย็นค่ำอาจารย์คิดว่าต้องใช้เวลาสักกี่ปีอาจารย์ตอบ3า ป, ปีพอเจอขี้ข้าชายหนุ่มก็อึง้งแล้วก็วิ่งวอนว่าพ่อแม่ก็แก่แล้วอยากจะสำเร็จหลักสูตรวิชาฟันดาบก่อนที่พ่อแม่จะเสีย ไม่งั้นนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ไปแสดงให้ท่านดูถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่อาจารย์บอก70ปีที่แรกแปดตอนหลัง30มวันนี้70เลยชายหนุ่มก็อึ้งมาจะก็ไม่มีทางเลือกก็ยอมตามที่อาจารย์สอนอาจารย์บอกก็เลยว่าไม่แน่ใจแล้วว่าชาตินี้นี่จะได้เรียนจบวิชานี้หรือเปล่า แต่ว่าแกก็มีความตั้งใจอยู่ปรากฏว่าเรียนแค่สองสปีเท่านั้นแหละก็สำเร็จวิชากลายเป็นนักฟันดาบที่มีความสามารถได้เรื่องนี้ท้ากพุท ธ, ธาพูดเพื่อที่จะชี้ใหเห็นว่าการที่เราเนี่ยมีความตั้งใจมากมันก็สามารถจะเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติได้ อาจารย์ท่านมีประสบการณ์รู้ดีว่าพวกที่มาด้วยไฟที่แรงด้วยความกระตือรือร้นแบบนี้นี่มักจะเกิดอุปสรรคในการเรียนวิชาฟันดาบอุปสรรคก็จะมีหลายอย่างเช่นความที่ร้อนล้นมากมันก็เลยใจไม่นิ่งพอเมื่อไม่นิ่งพอเนี่ยการที่จะฟันดาบจนกระทั่งใจนี่เป็นหนึ่งเดียวกับดาบเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ยิ่งอยากจะเสร็จให ให้เรียนจบไวาๆเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเนิ่นช้าไปและที่สำคัญคือว่าถ้ามาด้วยใจที่ร้อนรนแบบนี้นี่มักจะขาดความอดทนทำไปสักพักมันไม่มีความคืบหน้าก็ท้อละแบบทำนองว่ามาเร็วแล้วก็ไปเร็วอาจารย์ก็รู้ว่าจะต้องสยบให้ไฟที่มันร้อนมันเย็นซะก่อนให้ความรนมันคลายไปจนกรทั้งจิตนี่เป็นสมดุล เมื่อจิตเป็นสมดุลแล้วนี่การเรียนรู้ก็จะง่ายขึ้นผู้ง่าคือทาให้จิตนิ่งนี่ก็เป็นอุบายของอาจารย์เพื่อที่ทำให้ความกระตือรือร้นนี่มันหมดไปจนทั้งจิตเริ่มเป็นปลกลางกลางเมื่อจิตเป็นกลางกลางแล้วนะการที่จะมีความเพียรก็ดีการที่จิตจะเปิดรับก็ดีการที่จิตจะนิ่งพอที่มีสติก็ดีมันก็เป็นไปได้ง่าย ให้ความอยากนี่เป็นอุปสรรคนะกับการปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาที่ต้องอาศัยการฝึกจิตเข้ามาประกอบยิ่งการเจริญสติปัฏฐานการทําสมาธิภาวนาด้วยแลนี้ยิ่งต้องใช้จิต ท, ที่เป็นกลางอย่างยิ่งจิต ท, ที่มีความร้อนวนกระวนกระวายมีความอยากอยากจะเรียนให้ให้เสร็จใบวัยอยากจะเรียนรู้เร็วๆพวกนี้ หรืออยากจะได้อะไรที่มันเร็วๆมันก็กลายทำให้เป็นความเนื่นชาไปได้ในสาวพทธการก็มีตัวอย่างหลายครั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยได้เจอนักปฏิบัติแบบนี้คราวนึงพระป ช, ชาสมนาคืคอพระเมกยียะท่านเดินบินทบาทไปกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เพลินไปเห็นสวนมะม่ว ง, วงร่มรื่นก็เกิดความอยากจะไปปฏิบัติที่นั่น อยากจะไปหลีกเล่นเพราะว่าบรรยากาศดีมากตอนนั้นมีความกระตือรือร้นมากเลยก็ทูลขออนุ ญ, ญาตพระพุทธองค์พระองค์ก็แม่อนุญาต ท, ทั้งทั้งที่ปกติพระองค์นี้ก็สนับสนุนนะให้ใครหลีกเล่นไปปฏิบัติอยู่คนไม้นะไปปฏิบัติในโคนไม้ใต้โคนไม้หรือว่าในที่สงบสงบัดท่านก็สนับสนุนแต่ว่าในกรณีนี้ท่านพระองค์ก็ ทัดทานเอาไว้ให้เหตุผลว่าตอนนี้มีแค่สองให้มีภาพลูกอื่นมาก่อนนะแล้วก็ท่านก็จะไปได้พระองค์ทัดทานถึงสามครั้งเพราะเห็นว่าพระเมกานีไฟกาําลังแรงใจที่มีความอยากอย่างนั้นเน็ต จ, จะไม่ทําให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้านี่พระเมกรณียก็ยังยืนปรานที่จะไปพอไปปฏิบัติก็ไม่ได้ผลอย่างที่พระองค์ได้คาดการเอาไว้ กรณีหนึ่งก็อย่างที่เคยไลฟฟังนะพายิยะภายิยะนี่เคยสําคัญตวัวนาเป็นอรหรันนะแล้วก็เพลินกับคํายกย่องเพราะใครๆก็สรรเสริญว่าถ้าเป็นอรหันแล้วจนกระทั่งเพื่อนนี่มามาบอกนะเพื่อนนี่จริงๆว่าตายแล้วก็มาเป็นเทวดามาบอกว่าไม่ใช่นะพระพ เ, เจ้าองค์จริงมีอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งก็จะเป็นเชตวันพายิยะก็เลย เกิดความกระตือรือร้นมากเรียกว่าเดินทั้งวันทั้งคืนตามเรื่องก็ว่าเป็นร้อยรกิโลเมตรไม่ได้หยุดเลยเรียกว่าไฟแรงมากไปถึงเมืองก็พอดีพระพุทธองค์กําลังเสด็จบินธบาติาัิยะก็ตรงเข้าไปกราบทูลให้พระองค์แสดงธรรมพระองค์เห็นภัยยะมาเช่นนี้ก็เลยปฏิเสธเพราะว่า ไหนจะเหนื่อยเหนื่อยกายไหนจะกําลังมีความ ล, อล้อนรนกระวนกระวายอยากฟังธรรมจากพระองค์พยยาก็ขออีกพระองค์ก็ปฏิเสธมั้กที่สองพยายยะก็ทูลเป็นกันที่สาระองปฏิเสธ3ครั้งแต่พยยาคยังยืงกราม ท, ท้ายพระองค์ก็แสดงธรรมสั้นๆอย่างที่เคยเล่าฟังว่าเมืดอสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิน่นสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่า รับรู้กายสัมผัสสักแต่ว่ารู้แจ้งในธรรมารมณ์คือความนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนะเมื่อนั้นเธอจะไม่มีเมื่อเธอไม่มีเธอจะไม่ปรากฏในโลกนี้แล้วก็ในโลกน้นและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์เพื่ออะคือมีสตินะรูปรปัสปลี่ยนเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เท่านั้นแหละเท่านั้นปียะก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ทันทีเรียกว่าเป็นเอสทักขะด้านการตัดสู้เร็วแต่ว่าไม่ทันได้ บวชก็โดนวัวขีดตายอาจจะเป็นพระพุทธองค์ทรงมียานอย่างเห็นว่าพายาคงจะมีชีวิตได้ไม่นานพง์ก็เลยแสดงธรรมแต่ว่าพงษ์ก็ปฏิเสธไปก่อน3าครั้งเพื่อพเพื่อให้พายญาณิใจเย็นลงใจเย็นลงพอใจเย็นลงเนี่ยนะมันก็เรียกว่าใจก็เปิดกว้างรับธรรมะแล้วก็สามารถที่จะเกิดปัญญาได้ นี่ก็เป็นวิธีการครูบาอาจารย์ที่ทันตะหนักดีว่าเจตที่มีความอยากอันนั้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติมากหลวงพ่อเทียนท่านก็บอกนะว่าให้ทําเล่นๆ น, นะให้ทําเล่นๆแต่ทําจริงๆหรือว่าทําเรื่อยๆทําเล่นๆนนอย่าง แ, งแรกคือว่าอย่าไปทําด้วยความยากอย่าไปทําด้วยความตั้งใจอย่าไปพยายามพอมันมีไฟแล้วเนี่ยมันก็มีความยากพอ ม, มีความอยากแล้วมันก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ ก็จะว่าเป็นนิวรณ์ตัวนึ่งก็ได้นะไอ้ตันหาเนี่แต่ว่ามันไม่ใช่ในในนิวรณ์หอาจจะเป็นนิวรณ์หกก็ได้คือเป็นอุปสรรคขวางการปฏิบัติใจที่อยากจะปฏิบัติใจที่อยากจะได้หรือไม่ได้เพียงตั้งท่าพระาอาจารย์ประโมทเคยเล่าสมัยที่เป็นคารวะเคยไปกราบหลวงพ่อรุ่นที่สุรินตอนเช้าก็ถวายจังหันกินอาหารชาตเสร็จอาจารย์ประโมทจำเป็นคารวะก็เดินไป จะไปถูฟันหลังจากกินอาหารเช้าก็ไปเดินเห็นเก้าอี้ม้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีสระอยู่ใกล้ๆล่มรืนมากก็ตั้งใจว่าจะไปนั่งภาวนาตรงนี้แหละเพียงแค่คิดเท่านั้นแหละก็มีเสียงตะโกนมาจากอีกด้านหนึ่งของสระบอกว่าโยมคิดนั่งภาวนานก็ผิดแล้วล่ะท่านมองไป อีกฝ่าหนึ่งของสรเป็นหลวงพหลุนกําลังถือขันถือแปรกำลังจะถูฟันแต่ท่านรู้บาลจิตนะขนาดไกลถึงคนละฝ้าของสระก็บอกเลยว่าคิดนั่งภาวนานี่ก็ผิดแล้วและ่ะเพราะจริงๆมันไม่ต้องภาวนาที่ไหนก็ได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งภาวนาตรงนี้อันนี้ไปเกิดความเข้าใจว่าภาวนานะมันต้องมีสถานที่ที่เหมาะหรือว่าต้องตั้งท่าพอตั้งท่าจะภาวน้ำก็ผิดแล้ว เพราะจริงมันต้องภาวนานต้องเปกลมกลืนกับชีวิตไม่ใช่ว่าเห็นที่นี้แหมดีเหลือเกินก็เลยอยากจะภาวนาขึ้นมามันต้องภาวนาโดยไม่จํากัดว่าจะที่ไหนก็ตามอันนี้ก็คล้ายๆกับนิทานอีกเรื่องหนึ่งเป็นสํานักเซนที่มีชื่อมากในเรื่องการสอนสมาธิภาวนาก็มีชายหนุ่มมาขอเรียนกับอาจารย์ปกติตามประเพณีก็ต้องมานั่ง มายืนลออยู่หน้าประตูนั่นแหละจนกว่าจะมีคนมาเปิดเพาะมาทำไมบอกผมมาปฏิบัติธรรมครับอาจารย์ก็บอกเจ้าสำนักก็บอกว่ามาไปตรงนั้นเลยนะไปที่ครัวไปช่วยงานครัวแล้วก็หาบน้ำพาฟืนด้วยไปตรงนั้นเลยพอได้ฟังงนี้ชายหนุ่มคนนี้ก็เปลี่ยนใจเพราะว่า ตัวตั้งใจมาปฏิบัติมาทําสมาธิภาวานาไม่ใช่มาไปทําครัวก็หันหลังกลับพออาจารย์ปิดประตูก็หันหลังกลับไปเลยไปที่อื่นดีกว่าสานักอื่นดีกว่าต่อมาก็มีคนที่สองมาอีกก็มาพูดมันก็ว่าจะมานั่งมาปฏิบัติแล้วขอฝากเนื้อฝากตัวกับอาจารย์จะมาอยู่สํานักนี้แหละเพื่อปฏิบัติพอได้ยินชื่อมีชื่อเสียงมากอาจารย์ก็พูดเหมือนเดิมนะไปเลยนะที่ครัว นะไปช่วยงานครัวทำความสะอาดแล้วก็หาบน้ำผาฟืนแล้วก็ไปทำอย่างเสียไม่ได้อาทิตย์หนึ่งก็ยังเห็นว่าอาจารย์ไม่เรียบไปปฏิบัติสักทีก็คิดว่าอยู่ไปก็ป่วยการไปสำนักอื่นดีกว่าต่อมาก็มีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งนะมาหาเจ้าสำนักบอกว่านะจะมาขอช่วยงานที่วัดหน่อยเพราะว่าขอแค่อาหารขอแค่ที่พักเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนยากจนนะขอมาทํางานแลกอาหารที่พักาอาจารย์ก็บอกว่างั้นก็ไปที่ครัวเลยนะทําความสะอาดหาบน้ําผาฟื้นไปด้วยแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจนะทําด้วยความตั้งใจเพราะคิดว่าก็ถือว่าเป็นการแลกเอาแรงงานมาแลกอาหารที่พักผ่านไปสองสมอาทิตย์อาจารย์ก็มาบอกว่าเห็นว่าตั้งใจขยันก็เลยบอกว่าเออทํานี่ก็ให้ให้ดูใจไปด้วยนะ ให้มีสติอยู่กับการทํางานนะใจมันคิดนึกอะไรก็ให้รู้แล้วก็ให้กลับมาอยู่กับการทํางานให้ชายหนุ่มเขาตั้งใจตั้งใจทําอย่างที่อาจารย์สอนแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็พิเพงว่าก็มาทํางานครัวใครสั่งอะไรให้ทําก็ทําไม่ได้ตั้งใจจะมาปฏิบัติแต่ปรากฏว่าทําไปได้อยู่พักใหญ่ๆนะักแกก็บารู้ทาได้บารู้ทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติ แต่ว่าสิ่งที่ทําหรือการวางใจเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติในตัวคือทําด้วยความใส่ใจเอาใจใส่ลงไปในงานที่ทําเจ้าตัวไม่ได้คิดว่านี่คือการปฏิบัตินะแต่เนื่องจากเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายก็กลับบรรลุบทในการปฏิบัติขึ้นมามันก็เหมือนกับน้ําเดือดนะไม่ว่าจะเอาน้าไปตั้งเตาไม่ว่าจะตั้งใจให้มันเดือดหรือไม่เดือดถ้ามันได้อุณหภูมิมันก็เดือดอยู่วย่างค่ําหรือเหมือนกับที่พระเจ้าตรัสว่าไก่เนี่ยถ้ามันฟักไข่เนี่ย แม้ว่าแม่ไก่จะไม่ได้ตั้งใจจะให้ไข่มันออกรูปเป็นตัวแต่ถ้าฟักได้ถึงที่นะมันก็ออกรูปเป็นตัวได้การที่มันออกลูกเป็นตัวไม่ได้อยู่ที่ความอยากของแม่ไก่แต่มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่ทํานั้นเนี่ยมันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยไหมถูกต้องตามกฎธรรมชาติหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาที่ซ้ําอย่างชายหนุ่มค น, นที่สามนี้ก็ก็เหมือนกันนะสิ่งที่ทําเนี่ยคือการปฏิบัติแต่ตัวเองไม่รู้หรอว่านี่คือการปฏิบตตัติ ในขณะที่สองคนแรกเนี่ยไปเข้าใจว่าการปฏิบัติคือนั่งหลับตาซาเซนเนี่ยหรืาเซนแล้วก็ดูถูกนะการไปทํางานในครัวหาบน้ําผ่าฟืนว่าไม่ใช่การปฏิบัติอันนี้เป็นความคิดที่เข้าใจผิดนะและความคิดแบบเนี้คือการที่จะไปกําหนดว่าการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องตั้งท่าถึงจะปฏิบัติได้ที่จริงมันไม่ใช่ให้การปฏิบัติมันมันก็คือ การดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกทีแรกก็จะมีสติกับสิ่งที่ทำกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นแต่ต่อมาก็จะเรียนรู้ในการรู้กายรู้ใจสติมันทำได้หลายอย่างโจรที่จะปล้นบ้านก็ต้องใส่สตินักขับรถซิ่งมอเตอร์ไซค์วิบากก็ต้องใส่สติแต่มันเป็นสติที่ไปกาหนดอยู่กับสิ่งภายนอกสติทาหน้าที่นะ กำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์นี่คือหน้าที่กว้างของสติที่ถ้ากำกับจิตเนี่ยไปอยู่กับอารมณ์แบบไหนอารมณ์ข้างนอกเช่นกำลังขับรถไปอยู่กับตรงนั้นมันก็เป็นสติธรรมดาธรรมดาแต่ถ้ามีสติรู้กายรู้ใจตามเห็นกายเวทนาจิตอําอย่างต่อนเนื่องอันนี้จึงจะเรียกเป็นสติปัฏฐานคือมีสติกําหนดอยู่กับกายและใจรูปและนามไม่ใช่ไปรู้ไปกำหนดอยู่สิ่งภายนอก ซึ่งอันนั้นเนี่ยโจนมันก็ทํากันอย่างนั้นเหมือนกันนักฟุตบอลก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ลืมกายลืมใจไปได้พวกเราทำวัดเนี่ยทำวัดสวดมนต์ทละอ่านไปอ่านหนังสือสวดนมนต์เนี่ยถ้าใจมันไปอยู่กับหนังสือเผลอไปก็รู้ดึงกลับมาให้มันอยู่กับตัวหนังสืออันนั้นก็สตินะแต่ขณะที่ทํานั้นบางทีอาจจะลืมกายลืมใจ อาจจะลืมไปว่ากําลังนั่งอยู่ตรงนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนั้นก็ยังไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่คือว่าให้รู้กายรู้ใจไม่ใช่ไปไปรู้เรื่องนอกตัวหรือระลึกได้ในเรื่องที่นอกตัวอันนี้การปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็ให้เราพยายามให้มันกลืนไปกับชีวิตประจําวันทําทุกลมหายใจไม่ได้จํากัดว่าจะต้องมาทำํำเพราะเวลาสร้างจังหวะเดินจงกรมเวลาเข้าห้องน้ํา อ, อาบน้ําผูกฟันก็ มือเคลื่อนไหวไปมาก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของมือหรือการเคลื่อนไหวของกายเวลาที่ใจมันเผลอนึกไปก็กลับมาหรืออาจจะทำด้วยความงงเงียก็รู้ในอาการนั้นเวลาถ่ายหนักก็อาจจะกลึงนิ้วไปตามลหมหายใจไปขยับมือไปมาก็ได้คือให้มันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเวลาบินธบารในการบินธบารก็ให้ถือว่าเป็นการเดินจงกรม ขณะที่รับบาตรอยู่นิ่งๆก็อาจจะเอามือคลึงนิ้วครึงนิ้วกับฝาบาตรก็ได้หรือนำมลมหายใจไปเล่นๆก็ได้เวลาถ่ายหนักถ่ายบาตรตามลมหายใจไปก็ได้ให้มันอยู่หรื อ, อรู้กายและใจแล้วเวลาที่น่าศึกษาน้าปฏิบัติมากที่สุดคือตอนเวลากินอาหารนี่แหละพอกินอาหารนี่ใจมันฟุ้งได้ง่ายเราคงสังเกตได้เวลากินอาหารเนี่ยใจมันลอยได้ง่ายเลยเกินความคิดมันออกมามาก ก็ให้รู้ทันความคิดกลับมาไม่ต้องถึงกับเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ปากขนาดเคี้ยวยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าในขณะที่เรากินอาหารเนี่ยมันจะมีทั้งตัวความคิดมันจะมีทั้งตัวเวทนาเวทนาก็เช่นอาหารอร่อยก็เกิดสุขเวทนาขึ้นพอเกิดสุขเวทนาขึ้นคนิจใจมันลอยได้ง่ายเลยเกิดความยินดีใจก็ลอยแล้วเจออาหารเผ็ดเจออาหารไม่ถูกใจก็ จ, จะปรุงแต่งความรู้สึก ปงแต่งอารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งหรือว่าพอกินอาหารอร่อยมันก็เคี้ยวหมับหมัไม่ทันได้กลืนไม่ทันได้เคี้ยวมันเคลิ้มมันดื่มดำไปกับรสชาติอาหารลุมตัวก็มีนะบางทีตอนะจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าใจนี่มันเคลิ้มไปกับรสชาติของอาหารมันเคลิ้มไปกับสุขโควธนาโบลาณจะเคยเจอเคยเป็นเลยพราะมาอยู่ที่นบางทียาหาไม่ถูกปากอยู่หลายวันเสร็จแล้วก็มีอาหารถูกปากเข้ามาใจมันกลืนไม่กลม กลมกลืนหุดดูเข้าไปกับอาหารไปเลยอันนี้เราก็รู้ทันระหว่างที่เรากินเนี่ยบางทีก็ต้องดูกายพบาะกายบางทีมันวางแก้วเสียงดังที่นี่พื้นเป็นพื้นหินเวลาวางแก้วบางทีพอกินเพลินไปวางแก้วกว็ดังใช้ช้อนใช้ซ่อมพอไม่มีสติมันก็ดังเพราะมันเพลินกับรสชาติของอาหารหรือเพลินกับความคิด เวลาตักอาหารตักข้าวทั้งหมดนี้มันเป็นการเป็นเวลาแห่งของการเจริญสติได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะรู้กายรู้ใจรู้กายที่จับช้อนเคี้ยววางแก้ววางบาตรตักทักพีอันนี้รู้กายรู้ใจก็ความคิดเวทนาและความรู้สึกความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าบวกหรือลบยินดี หรือว่าดังเกลีขยะขแขยงอาหารบางอย่างเราก็รู้สึกขยะขแขยงนะเพราะว่าไม่ชอบหรือว่ามีอคติเนะช่นอาจจะวั้ถุไม่สะอาดหรือว่ามันเป็นอาหารที่มันมีกลิ่นอันนี้มันก็ต้องเห็นมันนะการรัน้ำหานี่มันก็เป็นเวลาของการเจริญสติที่ดีมากเวลาอื่นก็เหมือนกันเวลาพูดคุยกันอนะ่ามันก็เป็นการเจริญสติได้แต่ว่าเจริญสติมันอาจจะไม่ชัดมันอาจจะเป็นเรื่องของการไปรับรู้ คำพูดของเขาที่พูดออกมาแต่มันก็เป็นการดูใจได้เพราะเวลาฟังแล้วเนี่ยใจเรารู้สึกอย่างไรใจเรารู้สึกอย่างไรใจเราเพลินไปกับสิ่งที่เขาพูดเมามันไปกับเขาด้วยหรือว่าคุ้นคิดในสิ่งที่เขาพูดจนลืมไปเลยว่าเขากาลังพูดอะไรต่อมาไปติดอยู่ที่คำพูดหรือไปติดอยู่ที่ประเด็นบางประเด็นก็เลยไม่สามารถจะตามต่อได้ว่าเขาพูดอะไรหรือไม่ก็คิดว่าจะเถียงเขาอย่างไร เขพูดอะไรต่อเราไม่ดูแล้วเราคิดจะเถียงเราเราคิดจะเสริมจะแทรกเราสังเกตตอนที่คิดจะเสริมจะแทรกนี่มันมีความผิดยังไงเนี่ยมันมีอะไรที่หน้าหน้าอกหรือเปล่ามันอยากจะพูดมันอยากจะเป็นเสียงมันแน่นที่หน้าอกไหมอันนี้ก็เห็นกายไปถ้าสังเกตนะเวลาเราฟังใครพูดเนี่ยถ้าใจเราหย่อนไปหน่อยหรือเผลอไปก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าใจเราเพ่งเพ่งที่คําพูดแต่ละคําแต่ละคํา มันก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะลองสังเกตดูนะต่ก่อนนี่ปฏิบัติเราไม่เข้าใจคิดว่าคือการเพ่งคนมาพูดนี่ก็เพ่งเขาทุกคําทุกคํามันเลยฟังไม่เข้าใจในภาพรวมประโยครวมพูดไปจบประโยชน์แล้ยงบางทีไม่เข้าใจชัดเพราะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วมันไปอยู่กับอดีตมันไปอยู่กับคําแต่ละคําที่เพิ่งพูดเสร็จอันนั้นเป็นเป็นอดีตไปแล้วเพ่งก็ไม่ได้นะรับงเผอก็ไม่ได้นะเวลาฟังคนคุยกันหรือว่าสนทนากัน หรืออย่างเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยฟังคําบรรยายเนี่ยนะก็เหมือนกันนะก็เป็นโอกาสในการเจริญสติได้เวลาฟังไปเออใจมันลอยไปแล้วรู้แล้วกลับมาหรือบางทีไปติดอยู่ที่ประเด็นบางประเด็นนะก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแหละหรือว่าสะดุดใจกับคําพูดบางอย่างที่มันแทงใจหรือไม่ถูกใจก็ไปคิดหาคํามาเถียงมาแย้งถ้าไม่รู้ตัวนะมันก็ไม่มีสติแล้วถ้ารู้ รู้แล้วมันก็หลุดได้อันนี้บางคนก็จะถามเอ๊ะเดี๋ยวนี้ก็มีบางคนม า, มาบอกว่าทำไมไม่เห็นยกมือสร้างจังหวะเลยเขาฟังเขาได้อิกก็งงๆนะอันนี้ก็คนพูดก็คงจะไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติไปติดที่รูปแบบว่าเออถ้าฟังอย่ามีสติมันต้องมีการยกมือสร้างจังหวะด้วยอันนี้ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายว่าระหว่าง น, นั้นเนี่ยกาลังทาอะไรอยู่ เช่นถ้าจุดมุ่งหมายตอนนั้นคือตั้งใจฟังเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องยกมือสร้างจังหวะก็ได้เว้นแต่ว่าเป็นการยกมือเพื่อเตือนใจอยู่เสมอเวลามันเผลอมันเผลอไปอ้าวดึงกลับมาแต่ถ้าทำอย่างนั้นนี่ก็ไม่เป็นต้องสร้างจังหวะก็ได้แค่ครึ่งนิ้วก็พอครึ่งนิ้วไปเบาๆเพราะจุดประสงค์หลักคือฟังพอใจมันเผลอไปไปคิดเรื่องอื่นเลบ อ, ออกไปนอกสาลาอ้าว ความรู้สึกที่เกิดจากการคลึงนิ้วมันก็จะเตือนใจให้ระลึกได้ว่ากลับมาได้แล้วบางทีการสร้างจังหวะขนาดฟังเนียมันอาจจะเป็นการทำสองอย่างในเวลาเดียวกันบางทีความรู้สึกมันดึงกลับไปกลับมาระหว่างคำพูดกับมือที่เคลื่อนไหวไปมาบางทีมันดึงจิต ก, กลับไปกลับมานะอาจจะทำให้ฟังได้ไม่ต่อเนื่องได้สมัยที่อยู่กับหลวงพ่อเทียนแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อขีน ตลอดเราก็ไม่เคยมีการสร้างจังหวะขณะฟังครูบาอาจารย์นะเพราะว่าตอนนั้นจุดประสงค์เราคือการฟังแต่ว่ารึงนิ้วไปมันก็อาจจะมีบางคนก็า จ, จะมีการพลิกมือไปมาเพราะจุดมุ่งหมายหลักคือการฟังแต่ถ้าเกิดจุดมุ่งหมายคือการปฏิบัติก็ให้ถือว่าการฟังเป็นแบ็กกราวน์อันนี้ก็ได้นะเช่นเร า, า จ, จะมามาที่นี่ทำวัดเสร็จเราก็ยกมือสร้างจังหวะเพื่อปฏิบัติ ก็ให้ถือว่าในขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกให้มันมันอยู่ที่การเคลื่อนไหวมือไปมาต้องถือว่าตอนนั้นการตั้งใจฟังให้ถือว่าเป็นลองไปการปฏิบัติให้ถือเป็นหลักการตั้งใจฟังถือเป็นรองอาจจะฟังเป็นแบ็กกราวน์ไว้ไม่ต้องคิดตามนะเพราะถ้คิดตามไปด้วยสร้างจังหวะไปด้วยเนี่ยมันหลุดไปแล้วละ่ะถ้าเกิดสร้างจังหวะอยู่แล้วใจมันคิดตามเอารู้กลับมาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีต้นไหนที่มันเข้าหูไปเออมัน เข้าไปแล้วก็มันถูกใจก็รับไปเสียแต่ถ้าเกิดไปคิดตามหรือกบคิดอันนั้นมันก็หลุดไปแล้วนะสุดว่าคือว่าเวลาเรามาฟังเนี่ยเวลาเรามาที่นี่เนี่ยก็จะต้องถามว่าอะไรเป็นเรื่องหลักฟังไปเรื่องหลักหรือปฏิบัติให้รู้สึกตัวการสร้างจังหวะเป็นเรื่องหลักถ้าฟังไปเรื่องหลักนี้ก็ไม่ต้องสร้างจังหวะก็ได้แต่ถ้าถือว่าการสร้างจังหวะเป็นเรื่องหลักใจนั่นก็ไม่ต้องฟัง ฟังแค่ผ่านๆหูฟังเล่นๆไปไม่ต้องคิดตามเพราะถ้าคิดตามเนี่ยมันก็แสดงว่ามันหลุดออกจากอิริยาบถไปแล้วก็ต้องดึงกลับมาเน่อย่าไปทํา2อย่างในเวลาเดียวกันคือคิดไปด้วยรู้สึกไปด้วยกับการเคลื่อนไหวมันจะสับสนเพราะฉะนั้นมันก็ให้ถือว่าแต่ละคนก็มีจุดมุ่งหมายต่างกันเรามาฟังหรือว่ามาปฏิบัติก็ให้ทําอะไรให้เป็นอย่างๆไปโดยเพราะการปฏิบัติใหม่ๆก็ให้เป็นอย่างนั้น การฟังแบบผันผ่านมันก็ได้เหมือนกันนะให้มันผนผ่านไปฟังเล่นๆไปแล้วก็สร้างจังหวะไปได้ยินเสียงพูดก็ให้มันได้สักแต่ว่าฟังสักแต่ว่าได้ยินไม่ไม่ต้องคิดตามแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันปิ๊งในใจอ่าเดี๋ยวใจมันก็รับรู้เองทําอย่างนั้นไปนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูว่าใครเขาทำใครเขาสร้างจังหวะหรือเปล่าไม่เห็นใครเขาสร้างจังหวะก็ไปบอกเขาไว้ทําไมไม่สร้างจังหวะอันนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจว่า ก, การปฏิบัติคืออะไร เราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในขณะนั้นว่าเขากำลังตั้งใจฟังหรือว่าเขากำลังต้องการสร้างจังหวะให้เราดูของเราไปนะไม่ต้องไปดูคนอื่นถ้าเข้าใจงี้นี่มันก็การปฏิบัติกายเป็นเรื่องง่ายคนพูดก็เหมือนกันนะเวลาพูดเนี่ยมันก็ต้องเจริญสติไปด้วยเพราะว่าบางทีมันเพลินในการพูดนะเพลินในการพูดหรือว่าใจนี่มันก็อยู่กับความคิดที่จะพูดจนลืมกายลืมใจก็มีใจมันคิดแต่เรื่องที่จะพูดนะ จงกระทั่งอาจจะลืมไปเลย ว, ว่ากําลังนั่งอยู่ตรงไหนมันก็มีหนะ้าหรือว่าเพลิเกี่ับการพูดเรื่องมันมากมันกับการพูดมากอันนี่ก็แสดงว่าไม่มีสติเราก็ต้องรู้มันก็ถือว่าฝึกกันทั้งผู้พูดและผู้ฟังผู้ฟังก็ฝึกสติไปด้วยผู้พูดก็ฝึกสติไปด้วยให้มีความรู้กายรู้ใจอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเท่าที่จะเป็นไปได้ใ น, นขณะที่พูดซึ่งมันก็คงทําไม่ได้ต่อเนื่องเพราะบางทีมก็มันติดก็ต้องคิดคิดถึงประเด็นที่จะพูด ถึงตอนนั้นก็อาจจะหลุดไปลนะหรือว่าบางทีไปมีอารมณ์หันไหวกับปฏิริยาของคนพูดของคนฟังอย่างเช่นที่เล่าเมื่อเช้าเนี่ยไปแสดงทำกลางดึกนะคนค่อยหายไปทีละคนหรือว่าบางคนก็นั่งหลับคนพูดก็รู้สึกเสียความรู้สึกที่เคยรู้สึกว่าโอ้ยฉันพูดดีแต่พูดไปได้สามชั่วโมงคนไม่ฟังแล้วตัวเองก็พูดสเปสปะพูดวกบนอันนี้มันแสดงถึง ใจที่มันไม่ปกติแล้ะก็ต้องเห็นนะถือว่าเป็นการเรียนดูใจไปด้วยก็เป็นการฝึกสติอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นการเดินมันทําได้ตลอดเวลาแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะเป็นสติแบบไหนสติแบบทั่วทวไปสติพอสําหรับใช้ทํางานทานําการหรือสติปัฏฐานนะสติที่ใช้ทํางานทานํทาการก็จะมีหมายถึงการที่ไปกําหนดอยู่กับอารมณ์ภายนอกโดยที่ไม่เคลื่อนไปกับสิ่งนั้นจนเกิดสมาธิกับสิ่งนั้น อย่างเช่นบางทีเราสวดมนต์เนี่ยบางทีมันใจมันก็มีสมาธิตอนนั้นก็อาจจะลืมกายลืมใจไปแล้วก็ได้แต่ว่ า, าเราจริญสิจิปัญฐานเออขณะที่สวดใจก็ตามรู้ตามเห็นกายและใจสติก็ตามเห็นกายและใจหรือเวลาเรามองแล้วก็ตามจิตมาไปเกาะที่รูปจิตมาไปเกาะที่เสียงก็รู้นะรู้แล้วก็มันก็กลับมาเองอย่างนี้แหลนะการปฏิบัติก็ มันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะแต่ว่ายากก็ยากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันทําได้ตลอดเวลานะตั้งแต่ตื่นนอนจนจนหลับเรียกว่าทําทุกลมหายใจประเด็นคือว่าอยากพยายามอยู่นิ่งๆอยู่ว่างๆครึ่งนี้ไปพลิกมือไปมาก็ได้กระดิกขาก็ได้จะรอรถนะจะคอยคนนะหรือว่าเวลาทําครัวแล้วก็มีสติกับสิ่งที่เราทําในตอนนั่งใจอาจจะไปอยู่กับการหั่นผักการต้มน้ํา ก็ให้มีสติรู้ไปใจมันเผลอไปก็รู้นะรู้กายรู้ใจแต่บางทีขณะที่คิดคิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะปรุงอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเผลอไปบ้างก็ไม่เป็นไรที่เสร็จแล้วก็เอาก็กลับมาตามเห็นกายและใจอย่างต่อเนื่องมันก็ไม่ต้องตั้งท่าปฏิบัตินะเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติที่กลืนไปกับชีวิตประจาวันตลอดเวลา